สมาธิอารมณ์เมื่อสักครู่ก็เกิดดับอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับสิ่งเกิดดับมีอยู่ตลอดเวลา แต่พอมีความเป็นเรามันก็ลากยาวมองไม่เห็นปิดบังความจริงไปหมดจิตตั้งมันม่นก็จะขาดเป็นท่อนๆชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ความตายเป็นของอยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเทียงควรที่จะสังเวชร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน ขั้นปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดินประดุดต่งว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบใช่ ความตายของเราเป็นของเที่ยงใช่ความตายของเราเป็นของเที่ยงถ้าความตายเป็นของเราเราตายแน่ถ้าเมื่อไรความตายเป็นธรรมชาติของขันไม่ถูกยึดถือจะไม่มีผู้ตาย หากเรายืนอยู่ในมุมของรูปนามที่เป็นสังคตะเกิดเกิดดับดับเราตายแน่แต่หากเราเปลี่ยนมุมไปยืนอยู่ในมุมของวิมุตไม่มีความตาย